คณะอาจารย์สันติจะมาวันที่สิบหกนะครับอาจะมาร่วมกับเราที่นี่วันเสาร์ดีไหมครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็ถ้าทั้งนี้จะไปร่วมด้วยนะครับ ก, ก็เชิญนะครับที่ ท, ที่ที่รีสอร์ทนะครับวันอาทิตย์นะผมอยากให้พวกเราไปเยอะๆหน่อยวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะ แต่ยังไม่ได้กาหนดแน่นอนนะนี่นี่มันว่าเขาคร่าวกันนะฮะเขาจะมากันหลายคนอยู่เหมือนกันนะลองไปฟังนักศึกษาธรรมะที่กรุงเทพเขาเรียนกันนะเขาผมกําลังจะหาปัญหาต่างๆไปถามเขาหลายคนอยู่เหมือนกันไปถามเพราะในระดับนักเรียนนะนะในระดับผู้ศึกษานะฮะคงไม่ได้ไปถามอาจารย์สันติหรอกอยากฟังเขาฮะอยากฟังเขา เพราะว่าธรรมะถ้าไม่พูดไม่คุยกันนะก็ก็ไม่รู้ว่าเขามีความเข้าใจมีความลึกซึ้งยังไงอะไรเนี่ยเราไม่รู้อะต้องคุยกัน่ะถึงจะรู้ช่วีหลายท่านทีเดียวนะครับที่เขาตั้งปัญหาถามมาเมื่อเมื่อวานนี้ก็ก็เป็นปัญหาที่เขาทําการบ้านมาพอสมควรทีเดียวนะก็น่าน่าสนใจนะฮะก็ท่านอาจารย์ก็ตอบไปแล้วเขาก็ก็หายคล่องใจก็พอใจนะครับ ปัญหาที่เขาถามมาก็แสดงว่าเขาศึกษาในคัมภี์มาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่กลุ่มที่เพิ่งจะเปลี่ยนจากแนวเดิมอะมาไม่นานนักเนี่ยแล้วเขาเขาเขาเข้าใจอ่ะนะเขาเข้าใจแนวเนี้ยดีดีหรือว่าดีมากทีเดียวโดยเฉพาะอาจารย์สันตินี้เข้าใจเร็วๆแล้วนักเรียนเองเขาก็ เขาก็คงจะขยันทำกันบ้านนะผมดูแล้วแล้วเขาก็มีความเข้าใจรวดเร็วมากเลยนะเดี๋ยวเราพวกเราเชียงใหม่อย่า ย, ยันนั่นนะอยัแพ้ก็นะ เลยฮะอ๋อจะได้เลิกเกินจะเลิกคุยนะครับฮ่าฮ่าฮ่า ส่งข่าวอีกอย่างนึงนะบุตมีคืออาจารย์สุจินจะมาวันที่12นี่นะเพราะฉะนั้นก็โอ้นานแล้วยังไงจากโซนนี่เย็นลงหรือยัง ก่อนหน้าเนี่ยเราฟังแหมาตาเนี่ยเป็นของร้อนใช่ไหมตอนนี้มันสายมันเย็นลงไปเยอะมั้งคุณนภาตาเย็นลงเยอะยังหมายความว่าไม่ค่อยเห็นว่ามันร้อนแล้ว่น า, า น, งงนาี่นงงนแปลว่าอะไรเนี่ <c oughs> คือถ้าเห็นตาเป็นของร้อนนะนะถูกวัตถุประสงค์ถ้าเห็นเย็นเมื่อไหรนะ่เนี่ยไม่ถูกวัตถุประสงค์นะนะ เพราะว่าปัญญาหรือวิปัสนานี่ก็คือเห็นจักสุเป็นของร้อนใช่ไหมอธิตะปริยยสูตรว่างนั้นเห็นจักสุเป็นของร้อนเห็นรูปเป็นของร้อนเห็นจักขูวิญญาณเป็นของร้อนเห็นจักขู่สัมผัสเป็นอะนะคือเป็นของร้อนเห็นเวทนาที่เกิดจากจักสุสัมผัสก็เป็นของร้อนเห็นหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนั่นแหละนะมโนภวังอ่ะนะเป็นของร้อน ธรรมะก็เป็นของร้อนมโนวิญญาณเป็นของร้อนมโนสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกกมสุขเวทนาที่มีมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนสรุปว่าไอ้ธรรมะสาสิเนี่นะเรียกว่ากลุ่มปิยรูปสาตรูปอายตนาภายในย6อายตนาภายนอก6วิย ญ, ญาณหกภาษาหเวทนาห น, นะธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดให้ถือว่าเป็นของร้อนที่ร้อนเนี่ยเพราะว่า เป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะเนไเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นฟืนของกิเลสเป็นอย่างดีเพราะถ้าไม่มีวัตถุเหล่านี้กิเลสไม่เกิดอะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันร้อนเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเป็นที่อาศัยให้กิเลสเนี่ยเกิดขึ้นทั้นตาหูจมูกเลิ้นกายใจเป็นต้นจึงเป็นของร้อนร้อนในฐานะเป็นเชื้อให้กิเลสเกิดเนีเป็นที่ตั้งแห่งกิเลส คือราคะโทสะและโมหะอันนี้ก็เป็นความร้อนอย่างหนึ่งความร้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของตาหูจมูกลิ้นกายใจเองเนี่ยนะตัวมันเองก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะความเกิดอย่างหนึ่งร้อนเพราะความหลังอันนิสงของเกิดอะไรเพราะความชราเนี่ยนะความแก่เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ร้อนอีกอย่างหนึ่งคือมรณะเนี่ยนะ ยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นของที่แตกทำลายอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงดูเนี่ยนะตั้งแต่เกิดไปจนตายเนี่ยก็โศกกะไม่รู้กี่โศกแล้วนะทำว่าโศกเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยนะโศกมาไม่รู้กี่โศกแล้วเสียใจมาไม่รู้กี่เสียใจเนี่ยนะทุกข์กายก็ไม่รู้มากี่ทุกข์แล้วทุกข์ใจก็ไม่รู้มากี่ทุกข์แล้วนะลำบากกายลำบากใจขับแค้นใจอยู่ก็เพราะไอ้สิ่งเหล่านี้ น, น, นี่แหละเหมือนกัน เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความร้อนนนะอันนี้พูดถึงในสายตาของผู้มีปัญญานะเขาจะเห็นว่าสิ่งเ่านี้มันร้อนจริงๆมันไม่ได้เย็นอะไรเลยแต่ว่าผู้ที่ไม่มีปัญญาก็พยายามจะบอกมันเย็นมันเย็นนนะคือจะคิดว่ามันเย็นอยู่ตลอดเวลานนะก็ถ้ามันร้อนอยู่นะพยายามกลบให้เร็วที่สุดเพื่อจะให้มันเย็นนะนะเก็บให้ไ่นะบายพยายามทั้งบายพยายามทั้งเบี่ยงะนะยอให้มันเย็นะนะก็ บางคนก็บอกว่าพอฟังอย่างนี้นะรับไม่ได้เลยใช่ไหมห ม, มันมีดีอยู่นะว่างนัน <c oughs> ก็เลยจมอยู่ในเรียกว่าอยู่แต่ในด้วยอัศธาตลอดเลยนั่นก็ส่งเสริมพอกพูนสร้างคันห้าต่อไปครั้งสูตรก่อนนี้เป็นอธิต่ปริ ย, ยสูตรสูตรติดตามมาเนี่ยอันทพภูแต่สูตรอันท่านี่มนแปลว่าความมืดเนี่ยนะเช่นอันทพภูตุชนก็คือปูตุชนคนมืดคนบอดอะ่ะ อันถภูตสูตรในสังยุตติกายสลายตนาวรตนนะข้อ32กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวลวันกัลันทกะนิวาปะสถานกรุงราชครึกณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งมืดมนอนันธภูตเนี่ยนะมันของมืดทั้งนั้นแหละว่างั้น ดูความพิสูจทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงที่เป็นสิ่งมืดคืออะไรคือจากสุโรปจากโสเวิญญาณเนี่ยจากขู่สัมผัสเนี่ยเป็นสิ่งมืดมนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสปเป็นตัดใจก็เป็นของมืดมนเนี่ยคือสูตรก่อนนี่ก็ประกาศถึงความเป็นของร้อนเลยพอสูตรนี้บอกมันมืดมากอันนี้ก็ประกาศทุกขลักษณะเหมือนกัน คือบางคนเนี่ยเขาเห็นภัยในความมืดมากอนะนี่ยบางคนเนี่ยเห็นภัยในแง่ในแง่ความร้อนแต่ถ้าอันนี้เขาเห็นภัยในแง่ของความมืดปัญโอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของมืดจริงๆถามว่ามันมืดยังไงแบบนั้นก็มันมืดเพราะไฟคือมืดเพราะชาติชรา ม, มรณาโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตมันมืดเพราะเหตุนี้แหละแบบนั้น ก็เป็นสิ่งที่มืดเน่นะมืดหรือว่ามืดมนเนี่ยเสียงก็มืดโสตะวิญญาณก็มืดโสตะสัมผัสก็มืดแม้สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของมืดเนี่ยนะถ้าใช้คำว่ามืดนี่จะดูถ้าจะเป็นไปเพื่อเบือหน่ายไหมใครเอาไปเจริญดูนะว่ามันจะคิดว่าเออเนี่ยตามืดสีมืดจักรวิญญาณเป็นของมืด จักระสัมผัสเป็นของมืดแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกกมสุขเวทนาที่มีจักระสัมผัสเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นของมืดอย่างเงี้ยนะทวารหูก็ลักษณะเดียวกันนะทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจเนี่ยเห็นเป็นของมืดมนเลยนะที่มันมืดเนี่ยเพราะว่ามืดด้วยอํานาจของชาติชาราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาต ไอสิ่งเราเนี่ยไปครอบงําสิ่งเหล่านี้เลยเรียกว่าเป็นของมืดดูการพิสูจน์ทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักรสุย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักรคูวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม่ในจักรคูสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีจักขคูสัมผัสเป็นปัจจัย เบื่อหน่ายทุกทวารเลยนะของที่มืดเนี่ยทั้ง30อย่างที่มืดเนี่ยนะเบื่อหน่ายหมดเลยเบื่อหน่ายทั้งอายตนาภายใน6เบื่อหน่ายทั้งอายตนาภายนอกหเบื่อหน่ายทั้งวิญญาณ6เบื่อหน่ายทั้งภาษาหกเบื่อหน่ายทั้งเวทนาหกเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกําหนัดเพราะคลายกําหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อตรงที่หลุดพ้นนี่แหละเรียกว่าทางตลอดอริยมรรค ก่อนๆเราจะฟังคําว่าวิปัสสนาว่าไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างเป็นของร้อนบ้างพอมาสูตรนี้บอกว่าออสิ่งเหล่านี้เป็นของมดืดนั่นก็ใครที่เห็นภัยในความมืดน่นนะว่าวัตถุทั้งทั้งหลายเหล่านี้แหละมันมีความมืดอยู่ในตัวอันผู้ที่ฟังแล้วว่าพิจารณาไ ค, คร่ครวนอย่างนี้ได้มากได้บ่อยก็เป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายนี่นเอ พันอริยสาวกที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็จิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าก็มียามอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้ว น, นะหมายว่ามืด น, นะไม่ต้องมืดอีกแล้วไม่ต้องมีจักษุเป็นต้นเนี่ยนะอันเป็นความมืดเนี่่เกิดขึ้นแล้วเพราะันก็รู้ว่าไอ้ความมืดทั้งหมดนี้หมดลงแล้วว่างั้นเถอะชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนะสรุป ก็เมื่อแหละพระองค์ได้ตรัสวยาการณภาสิทธินี้อยู่ภิกษุเหล่านั้นตา่างมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั น, นนะก็สูตรนี้เข้าฟังแล้วก็บรรลุคล้ายๆกับอธิตตะปริยยายสูตรนันะ่นคล้ายกันนะอธิตตปริยยายสูตรนี่พระองค์บอกว่าสับ พ, พังภิกขเวอาธิตังเหมือนกันสิ่งทั้งปวงเป็นของรอ้อนนะถ้าอย่างนี้เออฟังของมาจะศรัทธาร้อนมากกว่ามึดมืดนึกไม่ค่อยออกเอ๊จะฟังนั้นจะเบื่อยังไงแต่ว่าไม่แน่นะว่า บางคนเนี่ยอาจจะมีอัธยาศัยแบบนี้นะคือมันเหมือนกับว่าไ อ, ไอ้ความมืดเนี่ยอะไรก็ตามนะ ถ, ถ้าพูดถึงคนทั่ ว, วไปอะสิ่งที่มันมืดเนี่ยถามว่าน่ากลัวไหมสิ่งนั้นนะเช่นเอ๊ะทางเส้นนี้มันมืดนะที่เราจะไปเนี่ยนึกเอ๊ะไม่ไหวฟังแล้วกลัวเลยหรือว่าไอ้ความอะไรที่เราคิดอะไรในสิ่งนั้นๆไม่ออกเนี่ยนะมันก็เป็นความมืดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันนะถ้าคนที่เห็นภัยในความมืดก็น้อมไปพิจารณาตาหูจมูกเล้นกายใจยเป็นต้นในความโดยเป็นของสิ่งที่มืดมนอันผู้ที่พิจารณาเห็นแบบนี้ก็สามารถที่จะเบือนหน่ายได้จริงๆแล้วศัพท์ว่ามืดมนตัวนี้ก็เป็นคำไวยพจน์ของทุกขนั่นเองเาะคาว่าทุกเนี่ยสามารถใช้คาว่าร้อนก็ได้ใช้คำว่ามืดมนก็ได้ ใช้คำว่าโรคฝีลูกศรอนความลำบากความป่วยไข้อันนี้ก็เป็นคำที่ใช้แทนว่าทุกั น, นนะหรือแม้กระทั่งอัสุภาทั้งหลายก็เพื่อคำที่ใช้แทนคำว่าทุกข์นั่นเองอนะเขาบรรลุ ก, กันแล้วนะคุณชูศรีอนนโมทนากับผู้ที่บรรลุด้วยนะ เราฟังมืดแล้วก็เฉยๆไปหมดเลยนะ ม, นมืดจริงๆนะตาหูจมูกเล่นกายใจนี่มันมืดจริงๆเลยนะไม่เรียนนี่จะมืดขนาดไหนมารู้สูตรนี้ลองอาไปพ่อพูนดูนะอไปเจริญดูไปไค้ครวรดูอาจจะเป็น อุปนิสัยที่เราจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้นะอีกสูตรหนึ่งนะสารุปสูตรกล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงข้อปฏิบัติอันสมควรแก่การเพิกถอนซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตันหามานะทิฏฐิแก่เธอทั้งหลายคือคือจะสอนข้อปฏิบัติหรือสอนคาสอนที่ให้เพิกถอนตันหามานะทิฐินั่นเองเนี่ย เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวแสดงว่าธรรมะกลุ่มนี้นะพูดกับนิพธธาพทภาคยะอย่างเดียวแสดงกับคนจะ บ, บรรลุอย่างเดียวเลยนะเรียกว่าเป็นกลุ่มธรรมะที่ว่ามีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีทั้งนั้นเลยนะยินดีในความไม่เนิ่นช้าทั้งนั้นแนหะธรรมะกลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดนะอันก็เราก็ทิ้งต่างนะถ้าจะฟังธรรมเหล่านี้เราก็ทําใจว่านี่เรา ต้องการจะพนนะเขาคิดยังไงเขาจึงหลุดพนจากสิ่งทั้งบวงเหล่านี้นะเราก็ให้ตั้งอัธยาศัยแบบนั้นเอาไว้แล้วก็อาจจะได้ทราบซึ่งในอัรถรรเหล่านี้มากขึ้นดูความพิสูจนทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติอันสมควรแก่การเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตันหามานะทิฐิเป็นไงย้อนใหม่ครั้งหนึ่งนะว่าความสําคัญด้วยอํานาจตันหามานะทิฐินี่สําคัญว่ายังไง สำคัญว่าของเราอันนั้นเป็นตัณหาสําคัญว่าเป็นเรามานะสําคัญว่าเป็นอัตตาเป็นทิฏฐิองนั้นเถอะเพงั้นพระองค์ก็จะสอนให้มันเพิกถอนไอ้ตัณหามานะทิฏฐิอันเนี้บอกว่าเป็นยังไงดูกวามพิสูจนทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ย่อมไม่สําคัญซึ่งจักสุย่อมไม่สําคัญในจักสุย่อมไม่สําคัญแต่จักสุย่อมไม่สําคัญว่าจักสุ ข, ของเรา ไม่เข้าไปสําคัญจักสุในแง่ใดในแง่หนึ่งด้วยอํานาจกิเลสแม้แต่หน่อยเดียวเลยนะซึ่งในอัตถกถาอธิบายดีว่าบทว่าสัพพะมัญยิตะสมุขขาตะสารุ ป, ปังความว่าสมควรแก่ข้อปฏิบัติอันจะเพิกถอนความสําคัญด้วยตันหามานะและทิฐิทั้งหมดบทว่าจักคุ้งณมันญติความว่าย่อมไม่สําคัญจักสุว่าเราว่าของเราหรือว่าผู้อื่นหรือว่าของผู้อื่น อันนั้นไม่ใช่ตาเนี่ยไม่ใช่ของไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ของเราเองแล้วก็ไม่ใช่ผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นด้วยนะปฏิเสธแบบนี้น e, ะแล้วมันเป็นยังไงคุณบุญชูตาเนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่คนอื่นทั้งไม่ใช่ของคนอื่นด้วยนะนีเอาไงคะ น, นี่ อ, ดดอ๋อจากสุมันก็เป็นจากสุนะมันเกิดจากปัจจัย มันไม่จึงไม่ใช่ใครทั้ ง, งนั้นแว่างั้นนี่ยไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของคนอื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอีกนั่นแหละบทว่าจากักขุสมิงนะมัญติย่อมไม่สำคัญว่าเราเนี่ยมีความกังวลในจักสุขคือความกังวลด้วยกิเลสเครื่องกังวลในจักสุขของเรามีความกังวลด้วยกิเลสเครื่องกังวลในจักสุขของผู้อื่นท่าะะนก็นบอกว่า ไม่สําคัญในจักรสุอันนี้หมายถึงว่าไม่ต้องไปกังวลในจักรสุภายในก็ไม่ต้องจักรสุภายนอกก็ไม่ต้องไปกังวลมันแต่กังวลก็คือประกาศถึงว่าผู้อาลัยอาวร์ในจักสุใช่ไหมดังนั้นการพิจารณาจึงต้องไม่ต้องกังวลในจักสุภายในไม่ต้องไปกังวลในจักรสุภายนอกอนะจะไปห่วงจะไปปริโพเทจะไปเดือดร้อนอะไรมันจกคุโตณมัญติความว่าย่อมไม่สําคัญแม้อย่างนี้ว่าเราปราศจากจักรสุ หรือความกังวลด้วยกิเลสเครื่องกังวลว่าเราปราศจากจักสุปราศจากจักสุของผู้อื่นคือความกังวลด้วยกิเลสเครื่องกังวลปราศจากจักสุของผู้อื่นอธิบายว่าไม่ทําความสําคัญด้วยตันหามานะทิฏฐิแม้อย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นสรุปว่าไม่ต้องไปมีตันหามานะทิฏฐิโดยประการทั้งปวงในจักสุไม่ว่าจะแง่ไหนก็ช่างเถอะไม่ต้องไปสําคัญเลยเห็นไหม บทว่าจักคงเมติ์นะมัญติความว่าไม่สําคัญจักสุของเราอธิบายว่าไม่ทําความสําคัญด้วยตัณหาอันเป็นอัตตาของเราให้เกิดขึ้นคือไม่ต้องไปสําคัญอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะว่าจักสุเป็นของเราเป็นของผู้อื่นเป็นใครเป็นอะไรเป็นไม่ต้องสักอย่างกเอาและจกลงให้สําคัญว่าไงก็เป็นจักสุนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าธรรมะในที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะ ก็บอกว่าไม่ต้องไปให้ค่ามันเลยแม้แต่นิดเดียวจะด้วยประการใดก็ไม่ต้องเหนะไม่ต้องไปสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรอกในจักสเนี่ยนะย่อมไม่สำคัญซึ่งรูปในรูปแต่รูปว่ารูปของเรา ย, ย่อมอ่านะนี่ก็ถ้านี้ก็เอาคําอธิบายในแนวเดียวกันก็ไม่ต้องไปสำคัญว่ารูปนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นผู้อื่นเป็นของผู้อื่นก็ไม่ต้องไปกังวลใน ในรูปหรอกเนี่ยนะแล้วก็ไม่ต้องไปสำคัญในรูปด้วยตัณหามาณทิฏฐิเนี่ยนะไม่ต้องไปสำคัญอะไรเลยเหมือคำสามสี่คำ ข, ข, ของจักรุูนี่มีความแตกต่างกันต่างกันครับถ้าเป็นบาลีเนี่ยจะตระจักขุนะก็ ว, ว่าซึ่งจักรสูนี่ก็คือเป็นทุติยาวิพัฒน์เนี่ยนะ จากคุ้งนะมัญติเนี่ยจากคุ้งตัวนั้นน่ยหมายถึงทุติยาวิพัฒน์ส่วนจากคูสมิงนมัญติอันนี้สัตดมีวิพัฒน์เห็นไหมจากคูโตนมัญติอันนี้ปันจะมีวิพัฒนก็จะต่างตรงที่ตรงวิพัฒน์อ่ะนะเขแจกต่างว่าอย่างจากคุ้งก็คือซึ่งอ่ะนะธุติยาวิพัฒน์เนี่ยแปลว่าซึ่งถามคุณสุจินก็เรียนมาซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกะเฉพาะเนี่ยนะก็อันนี้เอาซึ่งนะไม่ต้องไปสําคัญแบบนั้นหรอก หรือสั ต, ตมีเนี่ยแปลว่าใ น, นนะในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะส่วนปัญจะมีก็ด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งเนี่ยนะก็ะคืออันนี้พราก็อธิบายเพิ่มเติมในลักษณะว่าไม่ต้องไปให้สำคัญโดยแง่ใดแง่งงมุมหนึ่งไม่ต้องนะซึ่งมันเป็นภาษาของของคนที่ที่เขาอยู่ในภาษานั้น น, น, น, ะ, นะการเปลี่ยนถ้อยคำบ้างเล็กๆน้อย้อยเนียน่ ย, น ย, นยฟังเขาฟังเขาเข้าใจ นะก็คือปรับเปลี่ยนในการใช้คำเนี่ยนะก็เป็นตรงนี้เป็นศัพท์ลักษณะว่าเป็นลักษณะพูดถึงแบบประธานาปริญญาเลยเนี่ยนะถ้าถ้าอธิบายตรงๆ ต, ตามพยัญชนะเนี่ยจะเป็นประธานาปริญญาคือไม่ต้องไปเข้าไปวิปลาดในจกักษุอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะไม่ต้องอ่ะเนี่ยนะไม่ต้องวิปลาดในจกักษุว่า ง, งั้นเถอะอย่าไปวิปลาดในรูปเลยอย่างงี้ยนะลักษณะนั้นแหะ ย่อมไม่สําคัญซึ่งจักรสุวิญญาณในจักรสุวิญญาณแต่จักรสุวิญญาณว่าจักรสุวิญญาณของเราย่อมไม่สําคัญจักรโสสัมผัสในจักรโสสัมผัสแต่จักรโสสัมผัสว่าจักรโสสัมผัสของเราย่อมไม่สําคัญสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรโสสัมผัสเป็นปัจจัยในเวทนานั้นแต่เวทนานั้นว่าเวทนาเนี่ยเป็นของเราทวารอื่นก็นิยะเดียวกันทั้งหมดเลยนะ ทั้งทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็ลักษณะดเดียวกันย่อมไม่สําคัญซึ่งสิ่งทั้งปวงในสิ่งทั้งปวงอันนี้ก็คือทุกทวารทุกอารมณ์ทุกชนิดนะไม่สําคัญซึ่งสิ่งทั้งปวงในสิ่งทั้งปวงแต่สิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเนี่ย네เป็นของเราอันนี้หมายถึงสกายะสัพพะนะสกายะสิ่งทั้งปวงตรงนี้คือสกายะทัพสัพพะทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเข้าไปสําคัญด้วยอํานาจของตันหามานะทิฏฐิอะไร บุคคลผู้ไม่สําคัญอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกคือไม่จะไม่มีตันหาอุปาทานในในสักกายะทั้งปวงเลยเหมืกันเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่สะดุง้งคือไม่สะดุ้งด้วยอํานาจตันหามานะทิฏฐิเนี่ยนะแต่คําว่าสะดุ้งเนี่ยโดยมากสะดุ้งด้วยตันหากับมานะหรือสะดุ้งด้วยอํานาจของตันหาและทิฏฐิเมื่อไม่สะดุง้ง อันสะดุ้งตัวนี้ไม่ใช่โทสะน ะ, ะฟังไม่ดีไม่ใช่โทสะแต่เป็นตันหนนะปริตัสสะเนี่ยนะแปล ว, ว่าความสะดุ้งสะดุ้งด้วยอํานาจตันหาว่าเอ๊สมมุติถ้าสมมติพวกจะตายนะถ้าสะดุ้งด้วยตันหะ เ, เราก็จะศูนย์สิเนี่ยเอ๊ะเนี่ยเราเราจะเป็นยังไงอเองหรือเราจะมีหรือเราจะไม่มีอะไรลักษณะเนี่ยในความคิดลักษณะนี้แหละเป็นความสะดุ้งเนี่ยนะ บรนผู้ที่ไม่สะดุ้งอย่างนี้ก็ย่อมดับสนิทได้เฉพาะตนทีเดียวก็คือดับไม่ไม่ถือเอาอายตนะเป็นต้นอันใหม่อีกเนี่ยนะรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี <c oughs> ถ้าคนที่สะดุ้งนะสมมติถ้าสะดุ้งในตานี่สะดุง้งยังไงสะดุ้งว่าตาของเรานี่มันจะอยู่ได้อีกนานไหมเนี่ย เลยมันจะมีตาอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยหรือตามันจะเป็นยังไงนะไอความคิดลักษณะเนี่ยเป็นความสะดุ้งนะสะดุ้งด้วยตัณหาบางทีก็สะดุ้งด้วยทิฐิเนี่ยนะแต่ถ้าผู้ที่เขาเจริญหรือพิจรารณาไอปิยรูปสารรูปเหล่านี้ทุกแง่มุมหมดก็จะไม่มีความสะดุ้งโดยที่อาศัยสิ่งเหล่านี้แม้แต่น่อยเดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าข้อปฏิบัติที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะ ว่าโดยสรุปก็คือไม่อะไราในสิ่งทั้งปวงในอดีตไม่สร้างความหวังในสิ่งที่เป็นอนาคตแล้วสิ่งที่มีอยู่นี้ตามเห็นแต่โดยความสิ้นไปเสื่อมไปนะก็มีอยู่เท่านั้นเองนะก็ถ้าตามรู้ตามพิจารณาตามเห็นตามใครครวญได้ขนาดนั้นก็ละความสะดุ้งได้โดยประการทั้งปวงนะ ส่วนทุติยสูตรเนี่ยนะคือ อ, อีกสูตรหนึ่งสูตรต่อไปเนี่ยปฐมสปายสูตรกล่าวว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเราชักแสดงข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตันหามานะและทิฏฐิแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ก็ข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตันหามานะและทิฐิเป็นไฉนะดูกานพิสูุนทั้งหลายภิกูุในศาสนานี้ย่อมไม่สำคัญซึ่งจักสุในจักสุแต่จักสุว่าจักสุของเรา ย่อมไม่สำคัญรูปย่อมไม่สำคัญจากสุวิญญาณย่อมไม่สำคัญซึ่งจากสุสัมผัสย่อมไม่สำคัญซึ่งสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากส่สัมผัสเป็นปัจจัยในเวทนานั้นแต่เวทนานั้นว่าเวทนานั้นเป็นของเราคือไม่ได้เข้าไปสำคัญโดยตัณหามานะทิฏฐิในในตาเป็นต้นเนี่ยนะตาสีจักรวิญญาณภาษะและเวทนาเนี่ย ดูการพิสูนทั้งหลายเพราะสิ่งใดที่ตนสำคัญไว้เป็นที่ให้สำคัญเป็นแดนให้สำคัญเป็นเหตุให้สำคัญว่าเป็นของเราสิ่งนั้นรู้วันเปลี่ยนแปลงไปจากที่สำคัญคือจะไปสำคัญโดยแง่ใดก็ตามใช่ไหมมุมใดก็ตามนะถามว่าเป็นอย่างที่สำคัญไหมเพราะปกติศัตร์ทั้งหลายก็จะไปสำคัญว่าว่าสรุปนะกิเลสเนี่ยโดยเฉพาะตัณหามานะทิฏฐินะ่จะแง่ใดก็ช่างมันคิดอยู่เนี่ย เที่ยงสุกงามอัตตามันคิดอยู่เท่านี้นะแหละแล้วถ้าสําคัญแบบนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมล่ะเออคือเข้าไปสําคัญว่าเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วไปสําคัญว่าสุกมันก็ไม่สุกสําคัญว่าเป็นอัตตามันก็ไม่ใช่อัตตาสําคัญว่างามก็เป็นสิ่งที่ไม่งามอย่างจริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไปสําคัญว่าเป็นของเราปั๊บล้วนเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปอย่างที่สําคัญใช่ไหม คือสัตว์ในภพเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นหรือว่าไอ้ขันทั้งมวลเนี่ยมันรู้แต่ความมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าสัตว์โลกก็ย่อมเพลิดเพลินเฉพาะภพเท่านั้น น, นะ ก, ก็รู้แหละว่าตานี่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่ก็ต้องการตาอันใหม่อีกรู้ว่าสีนี่เปลี่ยนแต่ก็ต้องการสีอันใหม่ต้องต้องการจากักรคูวิญญาณใหม่ไปด้วยเนะียต้องการภาษะเวทนาสัญญา เป็นต้นนะต้องการใหม่ๆไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ก็มันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ต้องการใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็รู้ว่ามันไม่แน่ใชแต่ก็อยากได้เพิ่มอ่ะอยากได้ใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีที่สิ้นสุดอะไรอย่างยกตัวอย่างว่าเอ๊รู้ว่าชาตินี้ยังไงก็ต้องตายนะแต่ก็หวังว่าเอ๊ถ้าพบใหม่มันจะเป็นยังไงเนี่ยนะก็ปกติสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยนะหวงมากทนุทะนอมขันห้านี่แหละถ้าได้ขันอันใหม่นี่จะเป็นยังไงนาะเนี่ย ถึงถึงสำคัญมันก็ไม่เป็นอย่างสำคัญะนะสรุปว่าถ้าพูดแบบทั่วๆไปในโลกนะจะสำคัญในแง่บุมใดก็ช่างเถอะเกิดมาแล้วตายหมดแต่ทีนี้ก่อนตายนะี่มันพอใจนะถ้าได้มีขันอันใหม่ก็ดีมันเหมือนแบบที่อุปมาแบบผว้การว่านะโอ้โหไปหาหนี้มาจนแล้วก็ใช้หนี้ไปแล้วก็กู้ใหม่หาไม่มีเลิกมีรามีจบมีสิ้นนะนะอยู่อย่างนี้แหละ หาอเรียกว่าหาของใหม่ๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะหาความเดือดร้อนมาให้ตัวเองไปเรยหาเพิ่มพอดูถ้าใกล้จะแก้หมดหาเพิ่มมาอีกหาความเดือดร้อนอย่างเงี้ยตลอดบริษัทบริษัทนะฮะเขามีหลักปฏิบัติในเรื่องบริหารนี้ครับสมมุติว่าดำเนินกิจการเจริญรุ่งเรืองกาไรเยอะเหลือเกิน นะฮะเขาจะต้องจัดไว้ส่วนหนึ่งสําหรับที่จะทําให้เดือดร้อนต่อไปหมายความเขาจะบอกไปเลยนะกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เขาบอกเลยนะว่าไอ้กาไรอันนี้เนี่ยนะจะต้องจัดไว้ตามที่ประชุมใหญ่ตกลงว่ายี่สิเอร์เซนสามสิเปอร์เซนต์สหรับขายายกิจการและทําอย่างนี้มาตลอดนะฮะ ซึ่งมันก็ไม่ได้ขยายมันไปนตามอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นตามอย่างที่คิดตลอดเหมือนกันมันก็หลุ่มๆดอนๆไล่ไปเรื่อยเนี่ยนะครับและพอใหญ่เข้าใหญ่เข้าใหญ่เข้าท่านคิดดูดิครับว่ามันมันอะไรเกิดขึ้นอันนี้ถ้าเราพูดอย่างนี้มันกับไปขัดกับเข้าในทางทางความเจริญทางโลกนะฮะไอ้นี่ถอยหลังเข้าคลอกแกแกไม่หานี่หาสินมาใส่ตัวแกใช้ไม่ได้ล้าหลังมากเลย ไม่ถ้าใครที่ไม่ค่อยอยากสร้างพบสร้างชาติไม่อยากสร้างหูสร้างจมูกเป็นต้นเนี่ยนะเฮ้ยนี่ลาหลังมั่งไอ